หรือตัดรากเง่าของความอยากให้หมดจดสิ้นเชิงได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนจนมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าอยากนั่นเองมันมีอะไรบ้างที่น่าเอาน่าเป็นซึ่งเมื่อเอาหรือเป็นเข้าแล้วจะไม่โยนความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งมาใส่ให้บุคคล น, นั้น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 หรือด้วยความอยากในความอร็ดอร่อยการกินอาหารของผู้นั้นต้องมีอาการต่างจากบุคคลที่ไม่กินอาหารด้วยตันหาแต่กินด้วยสติสัมปะชัญญะหรือมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี้ก็เป็นคนด้วยกันแต่คนหนึ่งกินด้วยตันหาอีกคนหนึ่งกินด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติปัญญาการกินจะต้องผิดกัน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 คือความรู้ที่แจ่มแจ้งถึงที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรผิดแปลกแตกต่างจากพวกเราซึ่งทำอะไรๆด้วยตัณหาผลที่เกิดขึ้นนั้นคือพวกเราต้องเป็นทุกข์กันแทบตลอดเวลาแต่ส่วนท่านไม่มีความทุกข์เลยท่านไม่อยากได้อะไรไม่อยากเอาอะไรผลจึงไปได้แก่คนทั้งหลายเหล่าอื่นด้วยความเมตตาของท่านนั่นเอง ท่านมีปัญญาเป็นเครื่องบอกว่าสิ่งนี้ควรจะทำแทนที่จะอยู่เฉยเฉยฉะนั้นท่านจึงทำการสืบอายุพระศาสนามาจนถึงพวกเราได้และทั้งได้ทำประโยชน์อื่นๆ อ, อ, อีกมากมายร่างกายและจิตใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาก็สแสวงหาและบริโภคอาหารได้ด้วยปัญญาไม่สแสวงและบริโภคด้วยกิเลสตัณหาเหมือนแตก่ก่อน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 ฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้อยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายโดยที่แท้แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็เข้าไปด้วยปัญญาการกระทำของเราก็จะไม่ตกล่มของกิเลสตัณหาการทำด้วยสติปัญญาจะไม่มีความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนปลายจิตใจจะไม่มีความหลงยึดถือ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 เราก็ยังคงรักษาคุ้มครองเอาไว้ได้แต่ถ้าหากว่ามันจะหลุดมือไปจริงๆเราจะมีกิเลสตัณหาหรือไม่มีก็ตามมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดคิดซะดังนี้เราก็ไม่ต้องทุกร้อนอะไรแม้การเป็นก็เหมือนกันไม่ต้องไปยึดถือในการได้เป็นนั่นเป็นนี่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 ความชั่วที่เป็นชั้นทรมานที่สุดก็มาจากความอยากเอาอยากเป็นด้วยอำนาจกิเลสตัณหาความชั่วที่เบาขึ้นมาก็ทํากันด้วยอำนาจของความรู้สึกที่เบาด้วยกิเลสตัณหาความดีทั้งปวงก็ทํากันด้วยตัณหาชนิดที่ดีที่ประนีตละเอียดสูงขึ้นไปเป็นความอยากเอาอยากเป็นในชั้นดี แม้ความดีถึงที่สุดก็ทำด้วยตัญหาที่ประนีตละเอียดที่สุดจนคนไม่ถือว่าเป็นความชั่วเลยแต่แล้วก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่พ้นทุกข์ถึงที่สุดกล่าวคือพระอระหันต์จึงเป็นผู้ที่หมดจากการกระทำด้วยอํานาจของตัญหากลายเป็นบุคคลที่ทำชั่วทำดีไม่ได้ ทำได้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่าความชั่วและความดีคือมีใจเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงำในค่าของความชั่วและความดีท่านจึงไม่มีความทุกข์เลยลักของพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้เราจะทำได้หรือไม่ก็ตามปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแนวของความพ้นทุกย่อมมีอยู่อย่างนี้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 จะไม่อยากเป็นอะไรด้วยความยึดถือแต่ถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆที่เรียกกันว่าความมีความเป็นบ้างก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปะชัญญะด้วยอำนาจของปัญญาไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความทุกข์เลยบทกลอนทิ้งท้ายของกูของสู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 ทุกนาทีเพราะไม่มีของใครที่ไหนเลยบทกลอนตัวกูตัวสูอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผลมาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียดได้ เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปรานีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอย